ก็ไปธุเล่นนนนี้นี่แต่ก็เพื่อไปบอกความจริงแก่ผู้แก่คนความจริงของชีวิตเรามันมีอยู่ความไม่จริงก็มีอยู่ความไม่เที่ยงอย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่เทียเ่ยงนะบอกอย่างนี้อย่าเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์ เนี่ยบอกอย่างนี้อยากเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนมันมีความไม่เที่ยงแล้วก็ยังเป็นทุกข์มัใช่ความเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ยังเป็นทุกข์ซ้ำลงไปอีกมันแค่ไม่ได้ความเป็นทุกข์ทําให้เราไม่เป็นทุกข์ตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติกันตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ยังเป็นทุกข์เราก็ล่องให้กับรถที่มันวิ่งออกนี้ไปจากสถานีเราอยากให้มันอยู่สถานีเราก็ล่องให้เวลามันวิ่งไปมันอยู่ไม่ได้บางทีเราก็ดึงมันไว้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราระวังซะ ไม่เที่ยงก็วางซะความเป็นทุกข์ก็วางซะวามมาใช้ตัวตนก็วางซะ น, นี่เรียกว่านักปฏิบัติทําไรทําังานเราจึงจะรูกก้เรื่องอย่างนี้ได้ถ้าเรามาเจริญสติสตินี่ถ้าเรามีจะบอกความจริงต่อเราสติตัวนี้พาให้เราเห็นความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงสติตัวนี้จะพาให้เราเห็นความทุกข์ตามความเป็นจริง แต่ตีนี้จะทําให้เราเห็นความไม่ใช่ตัวตนตามความเป็นจริงเราไม่ตาตาในตาเนื้อด้วยเราเห็นกายนะในความไม่เที่ยงในกายก็มีในความเป็นทุกข์ในกายก็มีความไม่ใช่ตัวตนในกายก็มีความไม่เที่ยงในนามก็มีในจิตก็มีความไม่เที่ยงใน ควาเป็นทุกข์ในจิตก็ ม, มีความไม่ใช่ตัวตนในจิตก็มีเป็นความโลภความโกรธความหลงมันไม่เที่ยงมไม่ใช่ตัวตนมันเป็นทุกข์เราก็ยังมีเวลาใดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นใจเราเราก็เอามาซ่อมเติมเราแทนที่จะเปลี่ยนเป็นความไม่โลภก็มไม่โกรธควมไม่หลงเราก sky, ็เราก็ไม่เปลี่ยนตรงนี้การปฏิบัติคือเปลี่ยนเนี่ย เปลี่ยนายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเปลี่ยนคนทุกข์ใหกลายเป็นคนไม่ทุกข์วิธีปฏิบัติการมีสติมันจะไปอย่างนั้นไปพร้อมๆกันไมเใช่ว่าเมื่อไรมันจะเกี่ยวไม่มีทุกข์เมื่อไรมันจะเอะ่ที่ยงไม่ใช่ไปขออยู่นั้นไปพร้อมๆกันเหมือนเราเดินจากสลาไก่ไปสาลาหน้าไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่เรานั่งอยู่แต่าไกปเราไปสารหน้ายังหัวนคิดถึงอยู่ที่นี่ ไ, ไปพร้อมๆกันเป็นปัจจุบันก็วไปทีใดก็รู้ไปพร้อมๆกันอยาไป ถ, <c oughs> ถึงก่อนถึงก่อนถึงเห็นก่อนเห็นไม่ใช่นะั้นบางทีมันถึงแล้วถึงสารหน้าแล้วก็ยังมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในอดีตเป็นเป็นอดีตไปแล้ว เราจึงมีปัจจุบันเอ็นเด็กขณะนี้เรานั่งอยู่เป็นปัจจุบันในเช้าหน่อยเมืเ่อเกิดเรตนาปวดหาก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นอดีตไปแล้วอดีตอดีที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยเราสวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วมันก็เลื่อนมาเคลื่อนมามาถึงปัจจุบันที่มานั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ้อก็มาพูดอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้ในกระบวนเรื่องสาธยายทำอะไรทัร้งสัมมาสมททัมปทาเขาก็ว่ามันเป็นอดีตไปแล้ววันนี้ก็เลยมาพูดธรรมะเนี่ยมันเป็นปัจจุบันเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นปัจจุบันยิ่ยงเราลู่สึกตัวลู่สึกตัวก็เป็นปัจจุบันเนี่ยคือของจริงคือปรัตญาปัชญาเนี่อยู่ในสมมติคำพูดอะไังสัมมาสมททัมปทาเป็นสมมติ ตเอามาเป็นปรมารุพุทูลก็คือลูกคือตื่นคือเบอิกบานเอารูกไปพร้อมๆกันขณะที่เราโูดขณะที่เราสาธยายขณะที่เราสวดเรารู้ไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันมีสติกับลูกไปพร้อมๆกันอย่าไปคิดเรามีความรู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วจ้ พี่หล่อเราลู่หรือเปล่าเราถูกหรือเปล่าอย่าไปคิดหาลู่สึกก็ใช่ได้แล้วพิกมือขึ้นลู่สึกก็ใช่ได้แล้วเคลื่นมือเคลื่อ <Course. S 1> นไหวมือไปมาก็ใช่ได้แล้วลู่แล้ว Overwatch. ถูกต้องแล้วอย่าไปหามันอย่ากระโดดหนีออกไปทางอื่นลู่สึกลู่สึกก็ใช่ได้แล้วเราอามือไว้ข้างหลังเรากำมือเราก็เห็นแล้วใช่ได้แล้วเห็นอยู่ลู่สึกอยู่ มันบอกความถูกความผูด ม, มันบอกเราความหลงก็บอกเราแต่มันหลงก็ใช่ไม่ได้ก็กลับมารู้สึกซะทางนี้ไปไปพร้อมๆกันฟังนี่ก็ไปพร้อมๆกันอยาไปชอบอยาไปไม่ชอบสิ่งที่เป็นผิดก็ไม่เอาสิ่งที่เป็นถูกก็สร้างให้เจริญในตัวเราก็มีในคนอื่นก็มีคนอื่นพูดก็มี คนอื่นทำก็มีในตัวเราพูดเราทําเราคบเราคิดบันทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนถ้าสิ่งไหนมันถูกก็เจริญภาวานาทําให้มากสิ่งไหนมันผิดก็เปลี่ยนนี่นรว่ายพร้อมกัน ข, ขณะที่เราปฏิบัติอยู่เอาไปมาก็ไกลไกลไปเรื่อยๆไกลาจากความหลงไปเรื่อยๆเห็นกายเห็นใจเห็นกายก็เห็นมันเคลื่อนไหว เราเจตนาเห็นอยู่เราทำอยู่ลรตรงหน้าเราอยู่เฉพาะหน้าเราอยู่มันก็เราดูอยู่ซึ่งหน้าเราแล้วเราเห็นกายอย่อยางนี้เราดูกายแตาดูมันจะไปไหนเรามันซึ่งหน้าเห็ห น, นหน้าตออหน้าเฉพาะหน้าเราอยู่มันก็เห็นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเห็คนความคิดก็ไม่ได้หลบมันมันคิดขึ้นเรากันโลกเกี่ยวกับความคิด ความคิดมัน Israeli, สอนให้เราลู้จึกตัวไม่ใช่ความคิดสอนให้เราหลงอนการปฏิบัติแต่ก่อนนี้กายมันสอนให้เราหลงจิตใจมันสอนให้เราหลงความคิดความทุกข์สอนให้เราหลงความโกรธก็สอนให้เราหลงบันนี้สอนให้เราลู้ความโกรธสอนให้เราลูดความโลภสวามหลงสอนให้เราลูดความคิดสอนให้เราลูดเพรหลงไปกับความคิดมามหาแล้ว วั น, นี่เรามันลูศึกซะลูสึกตัวกลับมากลับมาหากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่หลงเลยวันก็คิดมันคิดลงไปไม่ได้ห้ามมันเลยแต่วันคิดขึ้นมาลูศึกน่งลูสึกกายเนี่ยนี่ความคิดเลยไม่ได้สอนให้เราหลงเลยความคิดสอนให้เราลูวันเนี้ยความทุกข์ก็สอนให้เราลูวันเนี่ยอา้าวมาเปลี่ยนเป็นความ รูดสึกไปเสียทั้งหมดเปลี่ยนได้ทั้งหมดด้วยในกายในใจเนี่ยเกลี่ยนมาเป็นตัวรูดได้แล้วก็สร้างตัวรูดแต่พุทแต่พื้ไปได้นี่ยคือการกระทำของเรามันทำได้จริงๆปฏิบัติได้ให้ผลดได้จริงๆินี่คือของจริงถ้าสมมตินราทำไมได้เล่นบุญอ่าบุญคืออย่างนั้นคืออย่างนี้วัดวนภาพจินตนาการ บาปคืออย่างโน้นอย่างนี้วาดวนโนภาพจินตนาการแต่วันนี้พานไปยังนั้นอ่าน้วาดวนโนภาพไปไปโน่นคิดลูกคิดเห็นคิดรู้คิดเห็นมันไกลวันนี้มาพบเห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราเนาะเออเปิดู้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆลเรา เ, เ, เปิดการพบเห็นเห็นกับหูกับตา เป็นกับมือของเราเราทากับมือของเราเราทำกับกายของเราเราทากับใจของเราเวลาใดที่มัหนหลงเปลี่ยนเป็นตัวลูด้วยมือ ท, <ำ S 2> ทด้วยีมือของเราทด้วยกายด้วยใจทำด้วยลูด้วยนามของเรานี่คือของจริงอเอามาทาเป็นของจริงมันจับได้มันต้องได้ความโกรธความโลภความหลงก็จับได้แล้วก็วางได้ มันก็เราจับไปเราก็วางได้เราจับโมเราก็วางได้แเราลองรูจับไปล้วก็อวางไม่เป็นมันก็เด็กน้อยเด็กในน้อยและอ่อนเห็นไปมันจะกลัวใส่บางทีพ่อแม่ก็ให้มันจับลองดูสิพอมันจับแล้วมันก็ร้องให้มันเห็นทีละก้าวมันก็มาจับแต่ว่าเนี่นมันเป็นบทเรียน ของกายแต่ว่าบทเรียนของใจเนี่ยถ้าไม่มีตัวปฏิบัติมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้กายเวลาเหยียบน้ำมัน <c oughs> ก็นั่งลงอาน a m ออกหรือหลงออกหรือผ่าออกแต่ใจเนี่ยมันออ ก, ออกไม่เป็นถ้าไม่มีสติมีญาณมีความรู้สึกตัว มันโกรธนะมันก็ออกไม่เป็นที่ถล่มเข้าไปโดยพอใจที่จะโกรธทุกมันก็ไม่ออกมาเป็นว่าถล่มเข้าไปในควาทุกข์น่ะบดตน้ำเบ่งอยู่นั่นแหละพอใจที่จะทุกข์ก็มีบางคนวัด น, นี้เรามาดสูสิมาดูมามีตัวรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวเนี่ยควรู้สึกตัวเป็นชนไหนมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ให้ตัวรูดศึกตัวเนี่ยตนมต็มตรงตงมันก็เป็นไปเองความรู้สึกตัวไม่เปิดอนป้วนกับสิ่งใดดอกความรู้สึกตัวเหมือนทองคําเหมือนทองลอยไปสิเหมือนเพชรนั่นเลยกัปนครูดปนหห็นปนใช่เวลาอยู่มก็ยังเป็นเพชรเป็นทองอยู่ มันบัวใบบัวดอกบัวมันจะเกิดันที no, ่คนน่าเหม็นมันก็ยังไม่เป็นอะไรมันก็ยังใบบัวก็ยังไม่ซับตัวน้อ <c oughs> ยังเป็นใบบัวนี่ของของกริงเนะ่ยความรู้สึกตัวก็เช่นกันเรามาสร้างนะสร้างตัวนีให้มีมาตรฐานให้มีคุณภาพชีวิตเรา ค, ความรู้สึกตัวนะ ถ้า่าสร้างจริงๆลองดูผองลูกศิกตัวมันจะเป็นอะไรจะพาเป็นอะไรมันจะพัฒนาไปอย่างไรน้องไม่ต้องถามมันจะพัฒนาไปเองพัฒนาไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมากเป็นขนไปโน่นจากปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนกัลยาณปุถุชนเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาเป็นปเป็นพระไปน โ, โนตัวโลดมันพัฒนาจากความร้ายกล า, ายเป็นดีไปตามหลักเราก็เรียกว่าภาวนาภาวนาคือสร้างความดีเปลี่ยนความร้ายกล า, ายเป็นความดีเปลี่ยนความกผิดให้กลายเป็นความถูกนั่นคือ ควารู้สึกตัวนะควารู้สึกตัวเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่แต่ลูกคนไหนได้อยู่กับพ่อกับแม่เราวางใจวางใจได้เออเราอยู่กับเพื่อนกับมิตรที่เป็นกัลยะาณมิตรก็วางใจได้ถ้่อยู่กับธรรมก็วางใจธรรมได้กัลยะาณธรรม มีศีลมีสมสาธิมีปัญญามีความเมตตากรุณาวางใจได้แต่วางใจไม่ได้ก็คืออยู่กับธรรมคืออกุศลคือความโลภความโกรธความหลงจะวางใจวางใจไม่ได้บางทีตัดสินใจผิดผิดเบียดเบียนตนแล้วไม่พอยังเบียดเบียนคนอื่นอีกแต่ว่าอยู่กับธรรมเนี่ยวางใจเราอยู่กับพ่อกับแม่วางใจ เราอยู่กับมิตรกัญยาณมิตรก็วางใจเราอยู่กับโจรอย่าวางใจระวังต้องสเสี่ยมเตรียมตัวต้องระวัดระวังเมื่อเราอยู่กับความหลงแต่ก่อนเราไม่ค่อยไม่ค่อยสันทับไม่ค่อยไม่ค่อยพิถีพิถันแล้วแต่อะไรจะรวม่ามือทั้งหมดปอย่างนังน้นผู้ไม่ปฏิบัติของโกรธมาก็ร่วมมือกับความโกรธความทุกข์มาก็เร่วมมือกับความทุกข์ คาหลงมก็มือกับความหลงไม่หลงก็หาเรื่องให้มันหลงต่อไปกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเล่นหลอนเพลิดเพลินร่มือกับความหลงอาจจะ่มือกับความหลงนหนกกว่าร่วมือกับความดูดวยซ้าไปเพราะมันไม่อาสาถรมันเป็นวัตถุกรรมคุณ ตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีเิื่อก็ดีกายก็ดีใจก็ดีโูค ล, ลดกลิ่นเสียงมันเป็นวัตถุกรรมมาคุณถ้าไม่สัตว์โลกติดติดลรติดลรของกรรมมาคุณคืนเหนียวก็ไม่สันทัดก็ติดอยู่นั่นเหมือนลิงติดตัง้งตาก็เอาหูก็เอาหลายเรื่องบางทีกินข้าวยังตายัางดูทีวี บางทีทั้งเคี่ยวอาหารถึงเขียนหนังสือทั้งดูทีวีมีคนมาเล่าให้ฟังคนเมืองเลยลูกสาวของผมแปลกนะหลวงพ่อบางทีกินเคี่ยวอาหารอยู่มือเขียนหนังสือไปบางทีกัตาดูทีวีเอ๊ะมันแปลกมันทำอะไรถึงทำอะไรได้ที่เขาเขาเป็นอย่างนั้นมันหลายเรื่องป้าพี่เรามาเฉพาะเรื่องลองดู หาโอกาสเฉพาะเรื่องลองดูมาภาวนามาเจริญความรู้สร้างความรู้ให้มากขยันสร้างความรู้เอากายเอาใจเราสร้างไม่ต้องเกี่ยวกับสมุทปการิสอตำละมัดมันมีอยู่กายมีอยู่ความรู้สึกตัวก็ไม่อยู่ความหลงก็ไม่อยู่เอาความรู้ตะพืดตะเพือแวบเข้าไปฐานเข้าไปก่อนยังไงเป็นรูปเป็นร่างก็ มันมรู้สึกตัวเลยจุดตรงไปอยาไปหาโลกล่างยัางนั้นอะไรแหลมันดีที่สุดเหมือนเราจะถางป่าทําลืยถางไปก่อนยังไม่เห็นต้นข้าวต้นกล้าหรอกเอาขวานอะไรถามป่าไปก่อนมันค่อยเป็นโลกเป็นล่างขึ้นมาแล้วก็ค่อยปลูกค่อปลูกมันจะได้โอกาสปลูกข้าวปลูกของมันยังจะได้เกิดผลแบบงามด้วย ใ ห, ใหม่คนไม่เคยลูบไม่เคยทำอะไรอาจจะงามกว่าคนที่เคยลูบมามากหัว่จมีควาลูบอยู่เลยไม่ได้ทํา <c oughs> แบบนี้เราท้างไ้ก่อนมันลุบอริชามันลุกมันเป็นป่าเจอคนไม่ลูบลูบก็ลูบผิดผิดอริชาะที่ไดเมป่ายาประมาทเสืออุบาทม่อยู่คูคสถาน ถ้มีป่ามันก็ต้องมีเสือมีสัตว์ลายวันวัดป่าสุกโตเนี่ยมีช้างมีเสือมีงูเหลือมงูมเหา่างูจงบางงูพิษอะไรต่างๆนะี่ที่ได้มีป่าเรามีสัตว์ลายมันเป็นของเขามันเป็นธรรมชาติชีวิตเราก็เหมือนกันป่าก็คืออวิชา วันหนึ่งเราหลงหอยู่เราลูกถ้าเราหลงก็เรามีป่าเราก็ถางน้อยๆหยอดลงไปได้น้อ ย, ย, อ ต, ออ ย, อยตัวลูกพันต๊อกเดียวมันก็ใช่ไม่ไดนะ้การถางป่าคือป่าอิชาอวิชาคือป่าความรู้สึกตัวคือการแท่าถางถางป่าทําใหม่ๆทําใหม่ๆก็ยังไม่เป็นลูกเป็นล่างดอก เราไม่เห็นทิศถิถ่ทางอะไรเราไม่เห็นของกินมันเป็นยังไงเราค่อยทามไปลู่ไปลู่ไปความหลงอยู่ที่ไหนความรู้สึกตัวอยู่ที่นั่นความทุกข์อยูที่ไหนความรู้สึกตัวอยู่ที่นั่นความโกรธอยู่ที่ไหนความรู้สึกตัวอยู่ที่ตันลองดูให้ทําอย่างนี้ลองดูใส่ความรู้ขอเขาไปเพิ่มความรูม้เข้าไปอยู่กับเนื้อกับตัวะ อาวิธีที่จะอยู่กับเมื่อกับตัวบางทีก็เอามือกอดอกไว้แน่นๆหายใจเข้าหายใจออกบางทีก็บันจงช่วงจังหวะบางทีก็บันจงเดินจงกลมมันก็เรายืนที่จะทํางานหล่นเนื้อที่จะเขียนหนังสือที่จะกินข้าวยกินข้าวก็มีกิริยาการเขียนหนังสือก็มีท่าไม่ท่า การจะจับจอบจับเสียนอะไรก็ไม่ท่าไม่ทางการทำความรู้สึกตัวก็ใส่ท่าลงไปใส่ท่าพระพุทธเจ้ามันง่กายตรงตรงบันเอวหน้าอกขอใบหน้าในใจก็มีท่ายิ้มแย้มแจ่มใสอมองอะไรในทางดี จะไปมองแบบขัดเครื่องตาหูไม่ชอบอย่าให้ใจไปจะไปใช่ใจนะจะไปมองแบบลีๆีขวงขวางขวงขวงลีๆีไว้ลีหรอยอย่างเขาว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นเด็กหน่อยเลอเอ้ยเลอลหลงอะไรจำรได้จ <c oughs> ำได้ไหมคุณสะอาด เพลงทำไมน้องสมครามโลกครั้งที่สองของขวัญดีๆไม่ดีเนอะอะไรเขว่าไชีวิตเรากำลังกันกนะอยาก้องขวัดีๆให้มองในแง่ดีเขาด่าเราก็ลองมองในแง่ดีดูควาเหิวก็มองในแง่ดีความปวดขาปวดแขนก็มองในแง่ดีเออมันเห็นไมีหัวี้ไหนมันสบายแลย้วเอาไปเอามาก็เอา ปวดต้นขาปวดเข่าปวดน่องมันทับลงไปเออเ น, นี่เวทนามันเกิดขึ้นแล้วโอ้เวทนาหนอเนี่ยฉลาดนะเออเนี่ยโลกมันไหลไปมันอ่ความทุกข์ความไม่เที่ยงมันไหลไปความไม่ใช่ตัวตนมันบอกเราก็เห็นไงนีนะเวทนาเห็นเวทนาเห็นกรรมัดถ้าเวทนาเป็นของเราเห็นสมมติปันจะไม่ชอบ เอ้ยเราปวดตายตายเลยเรียกว่าสมมติปัญญาถ้าเห็นเวทนาเออสักว่าเวทนานั่นเออได้แล้วหรือว่าจักสูวิญญาณคณะวิญญาณข้าวหาวิญญาตจักสูทางตาทางหูจมูกเรียนกายใจมโนวิญญาณตัวล้ายพนี้นมันแสมันซุกซนไปแสไปซ่องไปซุกซนอะไรไม่รู้ มนโนวิ ญ, ญญาณมนเนี่ยนั่งอยู่นี่ไปแล้วถึงกรุงเทพถึงคนรักถึงคนชัางไปแล้วมโนวิญญาณจักขรวิญญาณเคยมองตากับคนรักเคยมองตากับคนโกรธคนไม่พอใจเคยชอบเคยรักไปมัน ไ, ไปแล้วกลับมาลูสุดตัวสอ น, ญญ น, อนกกวิญญาณฐานกะกวิญญาณจักขรวิญญาณจักรคือตา โ ส, สตสิญญาเป็ น, นหูบางทีมันได้ยินกับสร้างความหลงแพยายามลู่ศึกตัวลู่ศึกตัวคงลู่ศึกตัวไปเฉลยความลู่ศักตัวไปเฉลยเรานั่งอยู่นี่มีบทเรีย น, นะถ้าเราถ้าเราจะเรียนจะเราจะศึกษาตัวเรานะมีบทเรียนเยอะแยะไม่เหมือนเรียนทางโลก เรียนทั้งโลกต้องไปหาอ่าส่วนประกอบสิ่งแวดล้อมอะไรต <c oughs> ่างๆอเรียนทางธรรมนลยนี่ปรากฏการเกิดขึ้นกับกายกับใจรูตรงนี้แหละลอบรู้ในกองสังขารคือดกายแลสังขารกิดแต่สังขารเนี่ยมันจะออกมาให้เราเห็นเห็นเวทนาเห็นไหมเห็นกายเห็นไหม ไม่เห really? ็นไม่มีไม่มีไม่เห็นกายไม่เห็นเยทนาไม่มีใครไม่เห็นหรอกของจริงะแล้วของไม่จริงไม่เห็นก็ได้แค่นิดนิดนิดตีไม่เห็นอเห็นเทวดาไหมเห็นอสวรรค์ไหมเห็นเปรตเห็นนรกเห็นเโลกเป็นร่างเป็นนี้นี้อันนั้นไม่เห็นหรอกเห็นเห็นของเขาแต่ว่าบางคนไม่เห็นบางคนก็เห็นนั่นไม่ใช่ของจริง ของจริงคือนี่คือกายคือเวทนาคือกิจคือธรรมนี่กายก็นั่งอยู่นี่ก้โ ม, มกอยู่นี่มือเคลื่อนไหวอยู่นี่การเคลื่อนไหวที่เป็นมือก็เป็นกายการเดินก็เป็นกายหายใจก็เป็นกายคิดตาคือ น, น้าไม้ก็เป็นกายนี่ทำไมจะไม่เห็นเวทนาคืนต่อตัวขึ้นบนเข่าบ้างบนก้นบ้างบนเอวบ้างบนคอบน อะไรในกายก็มีในใจก็มีเวทนามันจะก่อตัวขึ้นเห็นอโอ้นี่เวทนามันอยู่กับกายโอ้นี่เวทนามันอยู่กับกจิตเห็นขี้หน้ามันโอ้มันอยู่นี่ก็มี น, นี่จ่ามันคิดไปโน้นปุ๊บปล่อยแล้วออกจากท่าคือกายกายเป็นท่านของจิตกายเป็นท่าของนามพุบออกไปไว้ไวมาก ไปแล้วก็อวนั่งอยู่นี่ก็เหลือแต่กายแล้ววัน้นเป็นกิริยาเฉยๆกรรมก็ไม่เป็นกรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่มีผลเป็นกตัตกรรมความหลงคุณคิดกับความหลองอยู่ไม่มีสติเหตุความคิดไม่รู้จักกลับมาคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดไม่รู้จักกลับมาอันนั้นไม่เป็นกรรมฐาน เปนกรรมที่ไม่มีผลทำเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเออเธอว่ามันคิดปึ๊บไปพุ๊บไปลู้สึกตัวยิ้มหัวเราะความคิดตัวเองกลับมาหาการเคลื่อนไหวเดินจกงกรงห้อยใจทันควรทันทีทันทีปรับกลับมาทันทีทนทสอนล้ ว, วัลสอนใจล้ ว, วันถ้าเอาทัศใจมันไปได้ทีงไหนเป็นอิสระภาพตาม อาการของเขาบางคนไม่ได้สอนสักติไม่ได้สอนกายไม่ได้สอนใจเมื่อมเื่อไม่ถูกสอนกายไม่ถูกสอนใจไม่ถูกสอนมันก็จะลั่วอะไรมันก็จะเข้าพุกเข้าลมไปสับสนไปหมดเลยแล้วยิ่งเขาดื้อก่อนเพราะไม่สอนมันก็จะอยู่ยังไงมันก็ไม่อยู่แล้วมเขอดื้อยู่แล้วตายก็ดื้อยู่แล้วตาหูจมูกลล่นกายใจดื้อยู่แล้วแต่บางคนบางพวกบางคนไม่ค่อยดื้อนะ ชอบอยู่เป็นเจ้าสมาถะสงบเสญญงี่ยมไม่ค่อยอะไรกับใครอันนี้ก็อาจจะกาจจะง่ายาหน่อยถ้ามันซุกซนมามากๆเปิดพุ่นมากอ่ามันกายสังขารปิตสังขารมันซึกซนมาอ่าโูกเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเขาจะเลิน ม, มาเขาบนใหญ่ ลูกก็เปนใหญ่เวทนาก็เป็นใหญ่สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นใหญ่ขึ่นความสุบุรีวิญญาณไปการสุบุรีเป็นสังขารการติดบุรีเป็นวิญญาณวิญญาณคือมันติดคนเจ้าอารมณ์ความโกรธเป็นนิสัยจริตนิสัยดเวียนฌานแห่งคนความโกรธ การเสด็ติดก็ติดเป็นวิญญาณเมัน เ, มม น, งเงนเปิดเพื่อนมาความควชนี้เปิดเพื่อนมามสุคนาทุกเปื่ออนมาพอมาทำ ป, ปับมันก็แสดงแล้วกันเหมือนสัตว์ที่ถูกจับแต่ก่อนไม่จับก็ไป็นเพราจับล้กระดิบนะะไม่เป็นไรคอยซ้อ น, นเหมือนคนช่างไปต่อช่างเขาจับช่างป่า สร้างป่าได้ช่างมันก็นิ่งไม่เป็นไรวนช่างเขารูกเขาค่อยบอกค่อยสอนค่อยจับเล็กจับนุย่ยถูกมือถูกอะไรวันก่อนวันปีสองปีก่อนเขาจับหมูมาให้หมูป่าเขาจะไปฆ่า <c oughs> เขาดับมันถูกบ่วงเขาเขาก็ว่าจะไปฆ่าเขาซื้อราคาพันห้าร้อยบาท ต้องมีคนคนหออเอาไปให้หลวงท่อดีกว่าอะไรมาให้หลวงพ่อพอมาทําครอบก็วางใส่ครอบหมเต้นใส่คนไปเยืนอยู่ครอบกันไม่ได้มันก็โดดใส่ปัดจะกปัดเอาแต่โดดใส่เห็นเราไม่ได้ก็โดดพังครอบโดดออกโดดทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมอยู่มันจะมั่งครอบมันจะเลื่อนครอบออกต้องดูแล ปล่อยเลือกมันอะไรบุญรอดใอ้รอดใอ้รอดบุญรอดมีคนช่วยถ้ามันไม่ตายก็เรียกว่าบุญรอดเขาก็บุญรอดเย็นก็บุญรอดซ้ายก็บุญรอดเอากล้วยไปฝากเอาอะไรไปให้ให้มันเอาไปก็มาเรียกเอาไปปลอดงงอกหน้ามาหารอดไปรอดมาก็จับตายโลกหัวโลกฟางจับได้ปล่อยออกจากขอบปล่อยไปตามธรรมชาติ ไปในน้ำพอเรียกว่ารลอดลอดเร่งมาหามาหาก็มันนอนจับขาจับแขนแก่ไปไหนก็ได้ตีแดงๆก็ไม่เป็นไรหยอกอเราด้วยเล่ น, นกันหนัเพราะการสอนการสอนเองก็เหมือนกันกู้ว่ากู้ตัวเองกูเลี้ยงตัวออรู้สึกตัวไปไหนคิดอะไร กลับมากลับมากลับมากลับมาเอาไปมาก็ง่ายอะและ้วร่องขนาดไหนก็ได้สอนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตัวเราเนี่ยนะเ <c oughs> ป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีว่าปฏิบัติไปได้ให้ผลไม่ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าประกาศเลยโป้งโป้งทำคำสอนปฏิบัติพระทำปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการพระทำปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสมควรเก่ผู้ปฏิบัติ เนี่ยต้องมีหวังอย่างนี้เลยเพวกเราไม่ต้องหวังแต่ว่าเฉพาะหน้าเราเลยเราลู้สึกตัวเราลู้สึกตัวเราลู้สึกตัวเนี่ ย, เ, ยเราสึก ป, ป, ปรับปรุงอยู่เลยปรับปรุงท่านั่งปรับปรุงกายปรับปรุงจิตใจปรับปรุงความพร้อมมันจะคล่องขึ้นค่องขึ้นค่องตัวขึ้นค่องตัวขึ้นให้มันตื่นให้มันลู่คงเส้นคลงเวลา อนี่คือปฏิบัติคือสอนตัวเราแท้ๆในแบบการเดินสตินมัไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราการสอนให้ลูกเนี่สอนง่ายการสอนให้ป็นนี่เราต้องสอนตัวเราสอนตัวเราลู่อยู่ลู่อยู่ลู่อยู่อะไรก็ตามลู่อยู่แต่พื่อแต่เพื่อไปลูกยากกับมันมนี่เท่าไรความรู้สึกตัวเนี เขาลู่จากตัวก็ลู่แล้วลู่แล้วลูลว่จริงจริงมันคิดไปก็ลู่จริงเฉงเห็นความคิดกลับมาลู่จากตัวได้ทำอย่างนี้ละ่ะมันกับการสอนอะไรหลวงพ่อสอนหมูบอกลอดหลวงพ่อถางป่าหลวงพ่อหัดขีดหัดเขียนหัดจับป้หัดเหลาไม้หัดอะไรต่างๆ ก็เป็นไปเรามาจะโลนของที่วันนี้อยู่เนี่ยมือเราก็มีกายเราก็มีเวทนาก็มีเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเวทนาก็ขี้หน้าเวทนาเหี่ยวข้องกับเวทนาอย่ามาให้เป็นสุขอย่าให้เป็นทุกข์มาเห็นมาเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวเห็นสุขกัเวทนาอย่าไปเพลินทุกข์กัเวทนาก็อย่าไปหลง อย่าไปหลงโศกอย่าไปหลงทุกข์ให้เห็นให้เห็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเวทนาอย่าไปให้ใจเสวยเวทนาของกายเป็นเรื่องของกายเวทนาของใจเป็นเรื่องของใจมีสติรู้สึกตัวเกี่ยวข้องกับเวทนาอย่างถูกต้องไม่ต้องร้องโอ้ยตายตา ย, ตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องไปถึงนอนยิ้มก็ได้ ปวดขาปวดเอวยิ้มก็ได้หิวข้าวยิ้มก็ได้ใจยิมย้ ม, มยิ้มไม่ต้องไปสุกไปทุกอย่าเอาใจไปสุกไปทุกใจต้องเฉยเฉยต้องอบางทีต้องว า, างตัวว่างอุเบกขาเวทนาไม่ใช่สุกเวทนาไม่ใช่ทุกเวทนาอุเบกขา อุเลย์ขาเนี่ยได้ทุกอย่างความโกรธก็วางได้อเุเลยขาความทุกข์ก็วางได้อย่าไปจริงจังการสอนเราเองทวนกระแสะสักหน่อยไม่เคยวางก็หัดวางไม่เคยเย็นก็หัดเย็นไม่เคยยิ้มก็หัดยิ้มยิ้มในใจนี่ยไม่ใช่ยิ้มอะไรหลอกๆไม่ใช่ยิ้มในใจลึกซึ้งกว่ายิ้มแย่ๆอาการของปกยิ้มในใจ อ, อยู่คนเดียวนั่งอยู่ในกติก น, นั่งพิงฝ่ามั่งนั่งพีดเสาดูตัวเองดูตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยวิธีที่ปฏิบัติทำสมบูรุ์แบบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งรู้มีทั้งหลงมีอะไรย เ, อ เ, ไเรยอะแยะไปเลยเราก็จะได้บทเรียนถ้าเรามีความรู้สยกตัวดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆ เห็นของเก่าเห็นของเก่าเห็นไปเรื่อยๆก็จะเอ่ยกันได้ที่เห็นความคิดจะเนี่ยไี่มีใครที่ไม่คิดแต่ไม่มีใครเห็นความคิดตัวเองมีแต่ไปกับความคิดแบบนี้เราเห็นมันคิดอ๋อแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดนะเราไม่ใครดูนี่เลยมีแต่ไปกับอะไรกับพื้นกับพื้นไปไม่เคยทักท้วงไม่เคยตรวจสอบไม่เคยโต้อตอบ บัดนี่เรามาทักโชคมาดูมาดูมันหรูอมาดูอยากเป็นมาเป็นผู้ดูอยากเป็นผู้เป็ น, นเก็ไปอย่างนี้ถ้าเป็นผู้เป็นก็ไปได้ปฏิบัติถ้าเป็นผู้ดูเนี่ยปฏิบัติเห็นนะวะเพราะเราดูมันก็ต้องเห็นถ้าเราเห็นก็เราไม่เข้าไปเป็นนี่ก็เรื่องง่ายนายนะผมพูดว่า แต่ก่อนก็งงงงเหมือนกันพอมันทําแล้วโอ้มันเข้าเข้าเข้าลูกเป็นถูกมันก็เราสารสารตะกร้าสารกัะด้งเมื่อมันเข้าลูกมันก็ง่ายง่ายแต่ยังไม่ได้ลายไม่ได้รู้จักเรื่องก็ยากสักหน่อยไม่เป็นไรก่อนที่มันจะง่ายมันต้องยากไม่มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆหรอกต้องหัดตัวเอง หานเื่อมันจะเป็นเรื่องง่ายอนะหันงบลาณวิธีสารไ <c oughs> <c oughs> ม่ไถ่การสารยากที่สุดคือตาตาเหลวใครก็คุยเรื่องตาเหลวยากคนที่จะทำเป็นตาเหลวสารตาเหลวพอสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจักสานนะมึงทำเป็นมันก็เจ๋งเลย บัดนี้ก็เลยพูดว่าตาเลี้ยวหอ่อหอมมาเอาตีนไปไม่ต้องลงเลย ม, มันเป็นแล้วไอ้ น, นี่เก่งขนาดนั้นนะตาเลี้ยวหอ่อห้อมเราเอาตีนไปอ่ามันเป็นแล้วแต่ก่อนนี่เอาเมือเอาอะไรก็ทําไม่เป็นบัดนี้เอาตีนก็ได้มันคุยขนาดนั้นนะอ่าคนที่ทำงยากแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายแล้วทําเรื่องยากได้เลยเรว่าศิละป ะ, ะนะศิลปะโอ้ เราเสืนเอนเพลงไง เ, MM. เออเราทําได้นมงก็พึงใจเรารู้สึกตัวเราเห็นกายเราเห็นใจเนี่ยโอ้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความโกรธความโกรความบงเกี่ยมเป็นไม่โกรธไม่โลภไม่หลงโอ้โธมันเริ่มชนะตัวเองแล้วบ้างยึดคงแล้วบ้างการชนะตัวเองเนี่ประเสริฐนะการชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนุนไม่เท่าชนะสนทีเดียวอ่ายิ่งด่ชนะตัวเอง ชนะความหลงชนะความทุกโลดสุตัวก็ไปอ้าพอตัวเลยวันอยู่ยงคงว่าอยู่ยงคงก็พันคงเส้นคงว่ามืนคงกว่าเก่าแล้วบัดนี้ไปไหนก็ไม่วันไหวแล้วันนี้ลุยได้บัดนี้โลดลดฟินเสียงแต่ก่อนวันไหวบัดนี้ไม่วันไหวเลยพรอเราโลด โ, โลมมายาสาสไถโลของเก่าลู่จุดตน้น รูจุดอ่อนของเราเนี่ยะไม่ใช่รูจุดอ่อนของคนเด่มรูจุดอ่อนของเราจุดที่มันเคยหลงจุดที่มันเคยโกรธจุดที่มันเคยลกเคยชังเมื่อเราแก้เราจับจุดนี้ได้ของเส้นของวาแล้ววนะเนี่ยมีปฏิบัติเนี่ยถูกตึงที่สุดการเจริญสติตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้จริงได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อที่เรียนจบ พระพุทธเจ้าจบจะไม่เป็นเจ้าพ่อชายจบตั้งสิกิตสะไม่เลยเป็นพระพุทธเจ้าเลยขอเอากายเอาตำ่ำเอากายเอากิจเป็นตําลาเอาสติเป็นนักศึกษาคอยดูอยู่นั่งอยู่ใต้ลมไม้ดุยไม่ได้มีสาลาอยู่วันหล่อเอากายเอาใจเป็นตําลามีสติศึกษาเขาไปดูเขาไปเห็นเขาไปเปิดหนสี่พันเรื่องอยู่กับกายกับใจนะ ในเรื่องว่าสูตรสูตรพุท ธ, ธสูตรถึงการตัดสลุกสูตรถึงการหลุดพุทธนะเอากายเอาใจทุกคนมีกายมีใจทุกคนมีทุกหมดของโกรธของโลกของหลงไม่ต้องไปหาหมังสิบเมื่อไปเรียนเส้นไปถามอาจารย์ของโกรธคืออะไรครับอาจารย์น้องไม่เท่าตีหัวโปเลย อ่าทหารเอกสองไร่มาลบยิงไหมอาจารย์อ่าอาจารย์บอกไอ้โมโมโมโมเฮ้ยเป็นทหารด้วยหรเนี่ยแม้เนทหารเราก็ยิงโมเนี่ยมีดาบด้วยหรือเนี่ยโอ้โหดาบสองไล่ด้วยล่ะมีนี่เลยนะทหารนองก็โกดิ่ลแล้วเป็นนักปะหารเป็นนักปันดา ดึงดาบเกฝักเก็บฟันอาจารย์อาจารย์ก็ร้องกันโอ้ายนรกเปิดแล้วนรกเปิดแล้วอ๋อทหารสมุไรคนนั้นตกใจอาจารย์ว่านรกเปิดแล้วนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วรองท่นก็ดาบใส่ฝักมาดาใส่ฝักโอ้ยสวรรค์เปิดแล้วสวรรค์เปิดแล้วกราบอาจารย์ ซืนใจเห็นนรกเห็นสวรรค์โอ๋ยนรกคือใจร้ายนี่แหละสวรรค์คือใจดีโอ้มันูตรงนี้สวรรค์ใน อ, อกพระลูกในใจเราก็ลองอะเขาเลยว่าเอาของจริงมาสอนความจริงแต่ว่าอันตราย <c oughs> อันตรายเราสอนในนั้นอันตรายชนคนทุกวันในีมองหน้าแล้วก็ฆ่ากันได้แล้วอ่าเป็น ก, การอาจารย์เที่สอนคนอื่นเขาก็สอนแบบเขามีมันเก่งกว่าเราที่นพระเจา้าเลยโอ้ยอ่ไรนี่ไปเปรียบ เ, เทียบได้สอนได้หลายอย่างไปสอนลองเคลียรมาลองลองดูถ้าไม่พระเจ้าจะสอนได้หรืจนร้อยฆ่าค น, คนเก้ารอยเก้าสิบเก้าคนแล้วในป่านี้น้อกน้งสาวกพลาเนสีเนี่ยสาวทีเนี่ย หลังเขาจะไปจับเครื่องอยู่แล้วพระเจ้าคิดห่วงดีดามานดาประกาศแล้วพระเจ้าแผ็นดินประกาศแล้วเขาจะจับโจนองค์คริมานอตั้ง <c oughs> ตาพุตรล่อมป่ากต้งแม่ต้องไปก่อนต้องไปบอกลูกนี้บอกให้ลูกนี้ไปเขาจะฆ่าแต่แม่ต้องเป็นห่วงแม่นว่าจะเป็นโจนข น, ดนาดไหนก็ตาพราะพระเจ้าคิดถึงจุดนี้ ก็เลยไปก่อนแม่จ้ะ้าสายมาหนึ่งแม่จะไปก่อนแดี๋วองค์ริมานจะฆ่าแม่ตายพระเจ้าก็ขันดาสาไปดาวน์ไปก็วิ่งไล่กันจริงจริงนะยุดยุดยุดองค์ริมานไล่ไปบอกให้หยุดโดยพระเจ้าก็วิ่งเหมือนกันนะแต่วิ่งไม่ทันพระเจ้าเพราะเป็นศินละปะอยู่แล้วเป็นสาตว์สมัยเป็นเจ้าพ่อชายวิ่งแข่งม้าได้ วันดาขนาดตรงคร้มาเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ประสีภาษาเพราะเจ้ายัางวิ่งแข่งกับมาได้ทำไมเป็นเจ้าข้าฉายก็วิ่งยูยูเพราะเจ้เากับขานต่อว่าที่เอเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเธอยังไม่หยุดยูยูแต่เยังวิ่งอยู่เราหยุดทําชั่วแล้วเราไม่ ขยับวาไดไม่เบี่ยเบียนใคแล้วเธอยังจับดาบไล่ฟันเราอยู่ทวนอะไรยังไม่ยุดไม่ีสติขึ้นมาเลยองคุลมาก็เลยวางดาบได้สติก้มร้องให้โอ้โหมาวยี่ปบี่ชาดจะมาค่อยได้ยินคําพูดอย่างนี้โอ้เรานี่ไม่ได้จุดเลยวางดาบก้มร้องไห้เสียใจสมนึกได้เจลากระ เ, เทยให้ฟัง ตามพระพุทธเจ้าเข้าไปนอนสาวัถีนอน <c oughs> บวชเป็นิกสุดปาบโจนบนอะไไม่มีใครทำได้ดอกถ <c oughs> <ดอ>ึงคนกินเล่าเราไปบอกมันก็ด่าเราแล้วเล่นหอยเราไปบอกมันก็ไม่ชอบเราแล้วเมื่อวานเมาทอดกระทินวันซืนเขมาทอดกระทินพกริกนสเสร็จแล้วเอากระดาษมือแล้วค่อยเขียนตัวเลขสวยๆให้หน่อย เขาบอกเราบอกว่าอย่าไปเล่นเขาก็ไม่พอใจอนนเขาบอกแม่เขาเินเล่าเขาไม่พอใจถ้าเป็นอย่างนั้นะพระเจ้าทีก็ะสอนได้แต่ว่าไม่เป็นหลาพวกเรานะอัอนี่คือในพุทธมารให้ว่างวันนี้จะมี <c oughs> การประชุมที่สุขโตะไปเยินมศาสตรนะ์ไหมชุมชมรมเด็ดและนก เขาจะประชุมเดินธรรมยตตาคณะใครต่อใครมาพก็เด็กชุมลมเด็กลักนกเป็นผู้ประสานงานเขาจะมาประชุมที่วัดเราประสารเป็นหัวหน้าหัวหน้าการเดินธรรมยตตาหลวงพ่อก็เป็นประธานร่วมกันกับเขาออกไปไกลเดินธรรมยตตาเจ็ดสิบกิโล รอบลมปะทาวรู้สึกว่ามีเครือข่ายเขารู้จักพวกเราว่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำหนนี่ไม่มีตัวแทนป่าไม้น้ำมีเจดสอสอตัวแทนของโลกตัวแทนวงลมปะทาวตัวแทนป่าไม้ไม่มีก็เราดึงเป็นตัวแทนป่าไม้ตัวแทนน้ำไปบอกความ ลำบากของป่าไปบอกความลำบากของน้ำ น, น้ำเนา่นานา้ำในน้ำลำกระทาล่องให้ตนหน้นไม้ก็เป็นทุกข์ถูกไฟเผาถูกทิ้งขยะถูกทิ้งของอะไรมีความไก่เกิดขึ้นแ ย, แย่เอาที่ไก่เอากระสอบถุงอาหารไก่ไปล่างใน น, น้ำเน่าเหม็นน้ำลำกระเทาล่องไห้ป่าไม้ก็เป็นทุกข์ เราจ้งเป็นตัวแทนของน้ำของป่าบนเทือกโูเขาคงแม่น้ำลำตะเทาจะไปชมกันเครือข่ายอันนี้เนาะเป็วัดเราอ่าวันนี้ก็พูดเท่านี้แหละกรบพระพร้อมกันอะราหัมตมาลังปะสวล เทตัมวะวันตัมวะสวัสดีตวะกโตวะะตะมสมนมะตุปิปโนปะกะโตวาวะสะสังโฆสังฆะนะมะ